เกือบจะเจอของดีจากแฟนของเธอแล้วสิเกือบโดนเขาตีตีด้วยกระบองฉากดินกระเด่วมีแฟนแล้วก็ยังมาหลอกเพิ่งรู้ชาวบ้านเขาบอกเธอยังหลอกบอกว่าเป็นน้องเป็นน้องอย่างไรทำไมถึงนอนรวมห้องถ้าหา โอเหมือนควายผมแสนจาจที่ไปหลงเชื่อน้ำคำถ้าเลี่ยมไม่ดีคงถูกดีจนหัวข ม, มเห็นน้องของเธอหน้าดำในมือเขากำเอ็นนั้นกระบองชากดินกระเดีวเห็นไม้แล้วเกือบวิ่ง กระบองอีใครต้องคอยสอดส่องถ้าเจอกระบองต้องชักช้า เห็นน้องของเธอหน้าดำในมือเขาดำเอ็นั้นประบองชาดินกระเดว่ว